สู้หนูตายตัวเดียวก็ไม่ได้ท่านจะนํานลัทธิและวิชามหมูนอนคอยเคียงอยู่เฉยๆมาใช้ในวงศาสนาและวงพระกรรมฐานผมอายคราวาดผู้เขาดีกว่าพระและอายหนูตัวที่ตายแบบเปรียบซึ่งดีกว่าพระที่เป็นไข้และอ่อนแอและตายไปด้วยความไม่มีสติปัญญารักษาตัวท่านลองพิจารณาดูสิว่าสัจธรรมมีทุกษัตริย์เป็นต้นที่ปราท่านว่าเป็นธรรมของจริงสุดส่วนนั้นจริงอย่างไรบ้างและจริงอยู่ที่ไหนกันแน่ หรือจริงอยู่ที่ความประมาทอ่อนแอดังที่พากระเสริมสร้างอยู่เวลานี้นั่นคือการเสริมสร้างสมุทยัยทับถมจิตใจให้งอหัวไม่ขึ้นตั้งหากมิได้เป็นทางมรคเครื่องนําให้หลุดพ้นแต่อย่างไรเลยผมที่กล้ายืนยันว่าเคยได้กําลังใจในเวลาป่วยหนักนั้นผมพิจารณาทุกข์ที่เกิดกับตัวจนเห็นสถานที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาจริงๆจิตที่รู้ความจริงของทุกแล้วก็สงบตัวลง ไม่แสดงการสายแสแปลสภาพไปเป็นอื่นนอกจากดารงตนอยู่ในความจริงและเป็นหนึ่งอยู่เพียงดวงเดียวไม่มีอะไรมารบก ว, วนรวนรามเท่านั้นไม่เห็นความแปลกปลอมใดๆขเขมอเคลือบแฝงได้เลยทุกขเวทนาก็ดับสนิทลงในเวลานั้นแม้ไม่ดับก็ไม่สามารถทับจิตใจเราได้คงต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นนี่แหละที่ว่าจะจะทำเป็นของจริงสุดส่วนจริงอย่างนี้เองท่านคือท่านอยู่ที่จิต ด, ดวงมีสติปัญญารอบตัว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 ล้วนเป็นธรรมที่ผมเคยพิจารณาและได้ผลมาแล้วไม่ได้สอนแบบสุ่มเดาเกาหาที่ขันไม่ถูกแต่สอนตามที่รู้ที่เห็นที่เคยเป็นมาไม่สงสัยใครที่อยากพ้นทุกแต่กลัวทุกที่เกิดขึ้นกับตนไม่ยอมพิจารณาผู้นั้นไม่มีวันพ้นทุกไปได้เพราะทางไปนิพพานต้องอาศัยทุกขับสมุทยัยเป็นที่เหยียบย่างไปด้วยมักเครื่องดําเนินพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันทุกทุกพระองค์ท่านสําเร็จมรรคผลนิพพาน ด้วยสัจธรรมสีกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นแม้องค์เดียวว่าไม่ได้ผ่านสัจธรรมสีโดยสมบูรณ์ก็เวลานี้มีสัจจะใดบ้างที่กําลังประกาศความจริงของตนอยู่ในกายในใจท่านอย่างเปิดเผยท่านจงพิจารณาสัจจะนั้นด้วยสติปัญญาให้รู้แจ้งทางความจริงของสัจจะนั้นๆอย่านั่งเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่เฉยเฉจะกลายเป็นโมฆบุรุษในวงสัจธรรมซึ่งเคยเป็นของจริงมาดั่งเดิมถ้าพระทุดงกรรมฐานเรา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 ซึ่งพร้อมทุกอย่างแล้วในการดําเนินและเดินก้าวเข้าสู่ความจริงที่ประกาศอยู่กับตัวทุกเวลาถ้าท่านเป็นเลือดนักรบสมนามที่าศาสดาทรงขนานให้ว่าสกากยบุตรพุทธชิโนโรสจริงๆแล้วท่านจงพยายามพิจารณาให้รู้แจ้งสัจจ์คือทุกขเวทนาที่กําลังประกาศตัวอยู่อย่างโจงแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลานี้อย่าปล่อยให้ทุกขเวทนาเหยียบย่ําทําลายและการเวลาผ่านไปเปล่า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 และออกมาจากความเมตตาท่านล้วนๆไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานั้นพอท่านไปแล้วเท่านั้นเราเองก็น้อมอุบายที่ท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนาที่กําลังแสดงตัวอยู่แต่มความสามารถโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอแต่อย่างใดเลยขณะพิจารณาทุกขเวทนาหลังจากท่านไปแล้วรากับท่านนางคอยดูและคอยให้อุบายช่วยเราอยู่ตลอดเวลายิ่งทําให้มีกําลังใจที่จะต่อสู้กับทุกข์มากขึ้น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 แต่สิ่งที่หมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตามความมุ่งหมายเวลานั้นคือความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือทุกสัตว์ว่าเป็นอะไรกันแน่ทําไมจึงมีอํานาจมากสามารถทําจิตใจของสัตว์โลกให้สะเทือนวันไหวได้ทุกตัวสัตว์ไม่ยกเวน้นว่าเป็นใครเอาเลยทั้งเวลาทุกแสดงขึ้ น, นธรรมดาเพราะความกระทบกระเทือนจากเหตุต่างๆทั้งแสดงขึ้นในวาระสุดท้ายตอนจะโยกย้ายพบภูมิไปสู่โลกใหม่ภูมิใหม่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 เป็นเราทุกขเราจริงๆคือทุกขเวทนานี่หรือหรืออะไรกันแน่ต้องให้ทราบความจริงกันในวันนี้ถ้าเวทนาไม่ดับและเราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจแม้จะตายไปกับที่นั่งภาวนานี้เราก็ยอมแต่แต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกขเวทนาหัเราะเย่อหยันเป็นอันขาดนับแต่ขณะนั้นสติปัญญาทําการแยกแยะห้มหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายขาว่า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 ใจมีทางต่อสู้กันกับทุกเวทนาเพื่อชนะทางสติปัญญาไม่ออนแอปวกเปียกใจมักได้กำลังในเวลาเจ็บปวยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันจริงๆรามที่เคยถือเป็นของเล่นโดยไม่รู้สึกตัวมาประจำนิสัยปุตชนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอกก่อแสดงความจริงให้เห็นชัดในเวลานั้นขณะพิจารณาทุกเวทนารอบแล้วทุกดับไปใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิ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 จึงไม่ได้ลดละทั้งสองทางโดยถือว่าเป็นกิจจําเป็นระวังขันกับกิจจําต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้ายคราวท่านจำภาษาที่วัดป่าบ้านโปง่งอําเภอสันมหาพลจังหวัดเชียงใหม่ภาษานั้นท่านเร่งความภาคเพียในท่าและอิริยาบถต่างๆมากกว่าภาษาคนก่อ น, อนซึ่งเคยเข้าใจว่ามีความเพียรดีแต่ภาษานี้มีพิเศษไปกว่าภาษาที่เหลือแล้วมาโดยมีอิริยาบถสาม ด้วยการประกอบความาเพียรถ่ายเดียวคือยืนเดินนั่งทางความเพียรไม่ยอมนอนหากจะมีหลับล่างก็ให้หลับในท่านั่งทําสมาธิภาวนาขณะที่ธาตุขันพีบเต็นที่ตามสภาพของมันที่ทนทานต่อการไม่ยอมหลับเลยไปไม่ไหวซึ่งเป็นเวลาที่สติอ่อนตัวลงแต่ไม่ยอมทอดทุราต่อการหลับนอนดังที่เคยเป็นมาในอิริยบทสี่ทางนี้เพราะเห็นผลประจักษ์ใจทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาว่าใจมีความสงบแนบแน่น ปัญญามีความละเอียดแหลมคมและคล่องตัวกว่าความเพียรที่ดำเนินไปตามปกติธรรมดาจึงทำให้มีกำลังใจในการประคองความเพียรในท่าอิริยาบถสามตลอดพรรษาโดยไม่ยอมเอนกายล้มตัวลงหลับนอนเลยถ้าจะพูดตามภาษานักต่อสู้เพื่อเอาแพ้เอาชนะกันระวังกิเลสตัวเห็นแกส่สือแก่หมอนนอนทอดอะไรตาอยากแบบคนสิน้นธาตุําตัวยาวเหยียดเหมือนงูกับศรัทธาธรรมวิริยธรรมสติธรรม สมาธิรมปัญญาธรรมแล้วก็ว่ากิเลสตัวดึงดูดพระลงเสือลงมอนต้องทนอดอาหารวงเล็บเปิดเนื้อพระอร่อยสำหรับกิเลสวงเล็บปิดท้องแฝกไปสามเดือนพระทำทั้งค่าทั้งกล่าวแล้วได้โอกาสก้าวเดินตามวิถีทางของาศาสดามองเห็นชัยชนะจากการต่อสู้ด้วยความเพียรในท่าอริยาบทสามไห่างไกลาจากตัวเลยเรากับจะได้จะถึงทำอยู่ทุกอริยบท ให้เกิดกําลังใจในความเพียรอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็เบาใจก็เบาด้วยทำประเภทต่ทางๆความเพียรก็เบาในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อยุดกับกิเลสไม่สะทกสะท้านต่อความทุกข์ความลำบากในการต่อสู้กับกิเลส ท, ที่เห็นว่าเป็นข่าศึกอย่างถึงใจในคืนวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบลงอย่างละเอียดถึงฐานสมาธิและพักอยู่เป็นเวลานานพอสมควรและถอยออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิ จิตปรากฏนิมิตเป็นแผ่นดินไหวหมุนเป็นโคงจักจิตเพ่งพินิษเท่าไรนิมิตนั้นยิ่งหมุนเร็วราวกับฟ้าดินจะถล่มในขณะนั้นได้ความรู้สึกปรากฏว่าตัวเหาะลอยไปตามแผ่นดินโดยไม่ได้ก้าวเดินเลยขณะที่กายในนิมิตเหาลอยอยู่นั้นคล้ายกับเหาะลอยไปมาอยู่บนทางจงกรมที่เจ้าของเคยเดินในเวลาปกติและเหาะลอยไปมาอยู่หลายตลบจึงหยุดและปรากฏแสงสว่างขึ้นในขณะที่กายหยุดเหาะลอย แสงสว่างในนิมิตนั้นปรากฏว่ามาจากบนท้องฟ้าส่องสว่างเข้าในดวงใจ ท, ท่านทำให้มองเห็นอวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกายได้อย่างชัดเจนและเพลินในการพิจารณรารูร่างกายส่วนต่างๆด้วยอสุภะกรรมฐานและไตรลักษ์อยู่เป็นเวลานานใจมีความยิ้มแย้มแจ่มกระจ่างด้วยปัญญาศรัทธาอุตสาหะอย่างแรงกล้าอุบายต่างๆอันเป็นเครื่องถอนถอนกิเลส ป, ประเภทต่างๆเกิดขึ้นโดยสมอเสมอ นับว่าในปภาษานั้นใจมีกำลังมากรู้เห็นได้อย่างเด่นชัดไม่มีความอับเถาเศร้าใจเข้ารบกวนดังที่เคยเป็นบ่อยในการที่เราแล้วมามีแต่ความมั่นคงทางสมาธิและความแยบขายและคล่องตัวทางสติปัญญาเป็นคู่มิตรแห่งความเพียรประจำใจในอิริยาบถต่างๆระหว่างจิตกับสติปัญญาอันเป็นลักษณะความเพียรอัตโนมัติเริ่มปรากฏตัวอย่างเด่นชัดภายในจิตอิริยาบถทั้งสี่เว้นแต่ขณะหลับจิตอยู่ในท่าแห่งความเพียรโดยสม่ำเสมอ ไปถูกบังคับขูเข็นเหมือนแต่ก่อนซึ่งจำต้องบังคับถูถ่ายกันเป็นประจำไม่งั้นกิเลสนําขึ้นเขียงชนิดตามยืแย่ม่ทันเลยเพราะระยะนั้นกิเลสคล่องตัวรวดเร็วแหลมคงกว่าธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นต้นเป็นไหนๆใครจะไม่ควรอวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถขนาดจิตที่อยู่เพียงสมาธิความสงทงนั้นแม้จิตสงบก็ยังตกอยู่ในอํานาจเพลิงกล่อมของกิเลสให้ติดในสมาธิ ไม่สนใจออกพิจารณาทางด้านปัญญาอันเป็นอุบายถอถอนมันออกจากใจจนได้ต่อเมื่อปัญญาเคลื่อนย้ายออกทํา ง, งานการรบการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆและได้ชัยชนะไปโดยลําดับไม่อับจนอย่างง่ายดายนั่นแหละจึงจะเริ่มรู้เพลงกล่อมของกิเลสชนิดต่างๆได้โดยลําดับว่าไพเราะเพราะพิงอ้อยอิงหน้าติดจมอยู่กับมันจริงๆดังนั้นสัตว์โลกจึงไม่เบื่อเพลงกล่อมชนิดต่างๆของกิเลสกัน แม้จะกล่อมซ้ำซากให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้โลภมากขยากยิ้โหวยและเกิดความอิดโรยและทนทุกทรมานมากน้อยกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านและกี่ล้านล้านครั้งก็ไม่เคยเบื่อหน่ายอิ่มพอและเห็นโทษแห่งเพลงกล่อมของมันบ้างเลยจะมีบ้างราวกับฟ้าแลบกระท้อนได้รับความทุกทรมานมากจนตรอกซอก ม, มุมจนหาทางออกไม่ได้จริงๆนั่นแหละจากนั้นก็ถูกกล่อมให้เคลิ้มหลับไปอีกไม่มีวันตื่น พอเห็นโทษของมันบ้างเลยความเพียรขั้นนี้เริ่มเป็นความเพียรรุกความเพียรรบความเพียรตีตลบหลายสันหลายคมเพื่อเค้นฆ่ากิเลสไปโดยลําดับไม่อับเฉาเมาโม่มมสมกับกิเลสว่าเป็นมิตรเป็นสหายและมอบเป็นมอบตายกับมันเหมือนแต่ก่อนที่ทำ ม, มาวุฒมีสติปัญญาเป็นต้นยังไม่อาจหางเกรียงไกรระยะนี้ทำ ม, มาวุฒทุกประเภททุกขนาดเริ่มเครียงไกรฉายแสงเพลวพลียวออกมาแล้ว สนุกขุดคนหยิบยกขึ้นห้ำหันกับกิเลสชนิดต่งางๆอย่างไม่อั้นไม่ออมแรงกวามมุ่งมั่นประเดนพ้นทุกนับวันมีกำลังกล้าถึงขนาดเร่งความเพียงชนิดกล้าเป็นกล้าตายใครดีใครอยู่ใครไม่ดีจงบรรลัยไม่มีคาว่าเสียดายป่าช้าการเกิดตายซึ่งเป็นขวากหนามที่กิเลสปักเสียไว้ใจดวงที่กิเลสเคยเป็นเจ้าอานาจครอบครองมานานแสนานานจะไม่ยอมปล่อยให้มันครอบครองอีกต่อไป ต้องเป็นปีสุทธิธรรมอันประเสริฐเลิศเลอ เ, เท่านั้นครอบครองใจที่จะยอมให้กิเลสพัตจักก็ครองใจทำก็ครองใจแต่ถูกขับไล่ให้พ่ายแพ้แก่กิเลสอยู่ร่ำไปดังที่เป็นมาแล้วนั้นจะไม่ยอมให้มีในใจดวงนี้ได้อีกอย่างไรต้องปราบวัตจักวัตจิตให้บาลายลงจากใจพบนี้และในไมชานี้ด้วยธรรมอาวุธอันทันสมัยอย่างไม่สงสัยพอขออกภาษาแล้ว ท่านก็ออกเที่ยวธุดงกรรมฐานไปตามอธัธยาศัยท่านเล่าว่าท่านไปพักอยู่หมู่บ้านป่าในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกุฏิเล็กเพื่อบําเพ็ญภาวนาอยู่หลังหนึ่งเพราะที่นั่นเคยเป็นที่พักบําเพ็ญของพระธุดงกรรมฐานมาก่อนเห็นว่าสงัดดีและห่างจากหมู่บ้านพอประมาณท่านจึงเข้าพักบําเพ็ญที่นั่นวันหนึ่งตอนกลางวันฝนตกหนักไม่อาจลงเดินจงกรมได้ท่านจึงปิดประตูหน้าต่างฝาแถบคือฝาขัดแต๊ะ นั่งภาวนาอยู่ในกุฏินั้นซึ่งมีเพื่อนสูงพอประมาณขณะที่นั่งพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่ปรากฏเหมือนมีท่อไฟแทงขึ้นมาที่ก้นท่านร้อนแปลกๆจุดไปแล้วก็ร้อนขึ้นมาอีกท่านจึงย้อนมาพิจารณาว่าคืออะไรพอย้อนจิตมากําหนดจดจอ่อเพื่อเอาเหตุเอาผลกับท่อไฟที่กําลังเผาก้นท่านอยู่นั้นก็ทราบว่าไฟนี้เป็นไฟราคาตันหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุฏิ ไม่ได้แสดงขึ้นกับใจท่านเองท่านกําหนดพิจารณาทบทวนก็ทราบอยู่อย่างนั้นว่าเป็นไฟราคะตัณหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุลีสําหรับในจิตท่านไม่มีไม่ปรากฏว่าจิตเป็นราคะตัณหาแต่อย่างใดขณะที่ท่านกําลังชนมูล ว, วุ่นวายอยู่กับการพิจารณาฝ่ายชนิดนั้นก็ไม่คิดสะดุดใจว่าไฟนี้มาจากอะไรที่ไหนเป็นเพียงรำพึงอยู่ภายในใจว่าไฟราคะนี้มันติดตามเรามาได้อย่างไร เพราะเราไม่ได้มีความกำหนัดยินดีกับหญิงชายใดๆใจก็เป็นปกติไม่เกิดราคะ ก, การไปบินธบาตในหมู่บ้านก็ไปด้วยความสำรวมระวังมีสติอยู่กับตัวระวังสังเกตทุกแหน่ทุกมุมบรรดาอารมณ์ที่เกิดเป็นข้าศึกต่อจิตใจใจก็ไม่เห็นมีเรื่องราคะตัณหาเป็นอารมณ์แต่อย่างใดพอเรื่องไฟสงบไม่แสดงอีกท่านก็ลืมตาขึ้นจะออกจากการภาวนาหลังจากฝนหยุดแล้วก็พอดีมองเห็นด้านหลังผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังเดินออกไปจากใต้ถุนกุลีทำให้ท่านนำเรื่องไฟที่เผาคนท่านออกาพาดพิงกับหญิงที่เพิ่งออกไปจากกุลีท่านหญิงคนนี้คงคิดไม่ดีกับเราเหตุการณ์จึงได้แสดงขึ้นถ้ำนองนี้ที่เราเองก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ความจริงผู้หญิงคนนั้นอยู่ในวัยเบญจเพศยังไม่แก่อะไรเลยอาจจะเป็นสาวแก่หรือแม่ไม้มากกว่าหญิงที่มีสามีเกมมาเที่ยวเก็บผักหักเ ฟ, ฟินหาอยู่หากินก็ไม่อาจราบได้ ในมือถือตะกร้าใบหนึ่งขณะที่แกมาถึงที่นั่นเกิดฝนตกหนักพอดีแกเลยรีบเข้ามาหลบฝนที่เตถุนกุฎีหลวงปู่จนฝนหยุดแล้วแกถึงได้ออกไปจากที่นั่นเวลาท่านมองออกไปตามช่องหน้าต่างซึ่งเป็นฝาขัดแตะห่างๆจึงมองเห็นหญิงนั้นได้อย่างชัดเจนที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้พระเนนฟังตามโอกาสที่ควรนั้นท่านไม่ได้เล่าโดยการตำหนิติฉินนินทาหญิงนั้นแต่อย่างใดเป็นเพียงท่านยกหญิงนั้น ขึ้นเป็นต้นเหตุให้ได้ทราบเรื่องกระแสภายในภายนอกของจิตว่าเป็นสิ่งละเอียดมากเกินกว่าธรรมดาจะรู้จะเห็นได้นอกจากการพิจารณาทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาจึงสามารถทราบได้เป็นขั้นๆตอนๆไปท่านว่าตอนนั้นจิตท่านละเอียดมากพอสมควรสติปัญญายก็ดีและรวดเร็วต่อเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ชักช้าเหมุนขั้นเริ่มต้นฝึกหัดเช่นขณะราคะภายในจิตตัวเองกระเพื่อมแยกพนันสติก็ทัน แม้ปัญญาจะยังไม่สามารถทำให้ขาดได้ในระยะนั้นแต่ต่อมาก็พ้นมือของสติปัญญาที่ฝึกซ้อมตัวอยู่ตลอดเวลาไปไม่ได้ต้องขาดสะบั้นไปจากใจอย่างประจักษ์ท่านเล่าว่าตอนนั้นความเพียรท่านรู้สึกว่ารีบเร่งเก่งกาจมากแม้เวลาทำวัดเช้าและเย็นท่านก็ทำเพียงย่อยๆจิตใจรีบด่วนต่อความเพียรด้วยสติปัญญาอย่างมากส่วนการสวดมนต์สูตรต่างๆดังที่เคยสวดมาแต่เก่าก่อน ท่านต้องงดทั้งสิ้นเร่งทางด้านสติปัญญาอย่างเดียวเพื่อให้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วทันการเวลากลัวจะตายไปเสียก่อนยังไม่ถึงจุดที่หมายอันพึงใจได้แก่พระอรหัตธรรมภาษาต่อมานี้ไข้กว่าหนะักความเพียรก็เอาการไม่มีใครย่อย่อนอ่อนข้อต่อใครการไข้กว่าไข้ได้ตลอดภรษาการพิจารณาทุกขเวทนากับกายอันเป็นเรือนรางของทุกก็ไม่ลดละท้อถอยไข้หนัก ทุกมากเท่าไรยิ่งรากับสายเชื้อเพลิงป้อนสติปัญญาให้แสดงรวดลายอย่างเต็มฝีมือใจถือเอาทุกเวทนาที่เกิดจากไข่และกายที่เกี่ยวโยงกันกันกบทุกข์เป็นเวทีต่อสู้กับกิเลสชนิดไม่มีการให้น้ําในบางการถ้าสติปัญญาจะมัวให้น้ําอยู่ไข่ก็เอาตายและแพ้ราบคาบยากต้องต่อสู้กันแบบสดสดร้อนๆอนไข่และทุกข์ไม่ผ่อนคลายความเพียรจะผ่อนคลายไม่ได้ไม่ทันกันปราบกันไม่อยู่ ต้องเอาให้อยู่ในเงื้อมือของความเพียรขณะนั้นจะหลีกเลี่ยงไปไหนไม่ได้ต้องสู้จนเห็นเหตุเ ห, เห็นผลท่าเดียวจึงจะมีชัยและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองในภาษานี้นับวันหนักและหักโหมเอาการทั้งทางร่างกายและทางจิตเพราะเป็นไข้มาลาเรียตลอดพรรษาทุกทางร่างกายจึงมากทางใจความเพียรข้อหมุนตัวเป็นเกลียวไปตามไข้และทุกขเวทนาพอออกพรรษาไขก่ก็ค่อยๆหายไป องท่านเองก็ออกเที่ยววิเวกเปลี่ยนสถานที่ไปตามอัธยาศัยไม่เหยื่อยายกับสิ่งใดนอกจากความเพีินอย่างเดียวในระยะนั้นเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเย็นวันหนึ่งเมื่อปัดกวาดเสร็จท่านออกจากที่พักไปส่งน้ำได้เห็นข้าวในไร่ชาวเขากำลังสุกเหลืองอร่ามทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่าข้าวมันงอกขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิด ใจที่พาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภายในเช่นเดียวกับเมล็ดข้าวเชื้อนั้นถ้าไม่ถูกทำลายเสียที่ใจให้สิ้นไปจะต้องพาให้เกิดตาอยู่ไม่หยุดก็อะไรเป็นเชื่อของใจเล่าถ้าไม่ใช่กิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานคิดทบทวนไปมาโดยถืออวิชชาเป็นเป้าหมายแห่งการวิพากวิจารพิจารณาย้อนหน้าถอยหลังอนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจอยากรู้ทัวจริงแห่งอวิชชา นับแต่หัวค่าจนดึกไม่ลดละ ก, การพิจารณาระหว่างอาวิชากับใจทวนสว่างจึงตัดสินกันลงได้ด้วยปัญญาอาวิชชาขาดกระเด็นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือการพิจารณาข้าวก็มายุติกันที่ข้าวสุกหมดการงอกอีกต่อไปการพิจารณาจิตก็มายุติกันที่อวิชชาดับลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นเดียวกับข้าวสุกจิตหมดการก่อกําเนิดเกิดในเพราะต่างๆอย่างประจักษ์ใจ สิ่งที่เหลือให้ชมอย่างสมใจคือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆในกระท่อมกลางเขามีชาวป่าเป็นผู้อุปถากดูแลขณะจิตผ่านดวงหนาป่ากิเลสสวัสไปได้แล้วเกิดความอัศจรรย์อยู่คนเดียวตอนสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้าใจก็เริ่มสว่างจากอวิชชาขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุตติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อุทยจงเป็นเลิศงามยาววิเศษเอาซีจริงๆ